การเคลนไหวคือสิ่งที่เห็นนั้มันเป็นนอกนอกใจหมดนะแต่ถ้ามันมันมาครอบงําใจปั๊บมันก็เป็นสิ่งเดียวกันเลยเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่โยมเล่าอ่ะนะโยมไม่เห็นตัวเราที่เป็นผู้เล่าไงมันก็กลายเป็นตัวเราโดยอัตโนมัติเลยอ่ะจนกว่าจะมีการสกิดบอกว่าเอาเห็นตัวเราเป็นผู้เล่าไหมล่ะพอนึกออกมีสติมาปั๊บมันก็จะเห็นตัวเราเลยว่าเออใช่ตัวเราเป็นผู้เล่า เมื่อเห็นตัวเราเป็นผู้เล่าเสร็จมันก็ความรู้เนี่ยมันก็ดีดหลุดออกมาเนี่ยความรู้มันก็เป็นรู้ไปน <Yeah. S 2> แล้วก็เห็นตัวเราเป็นสังขารไปอนอี้ตรงนี้มันเป็นความชํานาญนะพูดถึงแต่ว่าเริ่มแรกก็ต้องหัดหัดเห็นรู้จักตัวเราไปก่อนนะั่นแหละแต่การรู้จักตัวเราเนี่ยที่อย่าตมาสังเกตคือมันต้องเปรียบเทียบกับกับสิ่งถูกรู้อื่นๆแล้วก็จะรู้จักได้ดีเช่น อ่ารู้จักตัวเราเนี่ยมันจะต้องเช่นรู้จักคนอื่นด้วยนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างกันนะเมื่อเห็นคนอื่นอ่าเมื่อเห็นคนอื่นเนี่ยทีนี้เราก็ต้องหัดให้เห็นว่าเอามีตัวเราเป็นผู้เห็นคนอื่นใช่ไ่มล่ะเบื้องต้นอ่ะนะใช่ค่ะเพราะนั้นต้องเห็นสองสิ่งคือเห็นเห็นคนอื่นแล้วก็เอ้าตัวเราเป็นผู้เห็นคนอื่นเนี่ยทีเนี้พอเป็นอย่างเนี้ยตอนแรก่มันเหมือนกับว่าตัวเราเป็นผู้เห็นคนอื่น แต่ทีนี้พอดูดีๆเนี่ยมันก็จะรู้ว่าไอตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีผู้รู้แล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีตัวเราอีกหนึ่งคนใช่ไหมก็อ่าพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เห็นตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้อ่าเห็นตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ก็เหมือนกับเห็นคนอื่นก็เป็นสิ่งถูกรู้ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ช่องว่างอากาศก็เป็นสิ่งถูกรู้หมดอ่าพอเป็นอย่างนี้ยมันก็เห็นได้มากเห็นได้มากก็กลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ยเป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยอืม ทีน e so ี <tahun> ああ้พอเป็นสิ่งถูกรู้เสร็จแล้วผู้รู้เนี่ยถ้าเราไม่สนใจมันอ่ะมันไม่มีผู้รู้หรอกมันไม่มีไม่มีตัวผู้รู้ก็เลยจะเห็นว่าไอ้สิ่งถูกรู้ทั้งตัวเลยทั้งตัวเนี่ยมันก็ขันห้าหมดเลยเนี่ยก็เลยเออก็พ้นจากขันห้ามาได้พ้นมาจากขันไหนพ้นมาจากคนอื่นก็เป็นขันห้าใช่ไหมก็พ้นมาอากาศก็เป็นช่องว่างที่เห็นอยู่มันก็พ้นมาแล้วตัวเราทั้งตัวมันก็เออเป็นสิ่งถูกรู้มันก็พ้นหมดเลยกลายเป็นว่า ทุกอย่างเนี่ยเป็นความว่างเปล่าเพราะว่าไม่มีผู้ยึดถือเนี่ย ท, ที่ที่ว่าสูตรพระโมคคราชเนี่ยเมื่อเธอมีสติเห็นโลกเป็นของว่างใช่ไหมของว่างก็คือสิ่งนั้นมีอยู่แต่ว่าไม่มีผู้ยึดถืออ่าไม่มีผู้ยึดถือก็คือเนี่ยเห็นทุกอย่างที่ที่เห็นน่ะไม่ว่าจะเห็นด้วยตาเนื้อตาในหรือได้ยินทางหูอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีผู้ยึดถือก็เลยทุกอย่างว่างหมดเอออ แต่วรู so ้เฉยเออรู้เฉยเฉยคือมันไม่มีผู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้ยึดเพราะว่าลองอะไรไปรู้สิมันเป็นสิ่งถูกรู้ไปหมดเลยอ่ะเช่นสมมติว่าตอนแรกมันเข้าใจผิดนึกว่าเราไปรู้ใช่ไหมอ่าแต่พอมีสติปั๊บมันก็เห็นตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ไปเลยอ่ะค่ะเนี้ยอ้าวเป็นสิ่งถูกรู้อีกแล้วอย่างเงี้ยดูสิพอลืมตัวเนี้ยมันเออพอลืมตัวเนี่ยมันเป็นเราไปรู้แต่พอนึกได้ขึ้นมามันก็จะเห็นตัวเราอ่าตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นไปเลยออ เออฝึกบอกวฝึกต่อเนื่องมากเลยตรง น, นี้ยเพราะว่ามันเป็นปัญญาขั้นขั้นรู้ละปล่อยวางไงเวลาจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยองานอื่นถึงจะทําำแต่ในใจเนี่ยมันมันพี่นาคู่ไปเลยอ่ะเหมืนหลงตาเลยว่าพี่นาคดีอยู่แต่ว่าใจเนี่ยมันก็กินาในเรื่องของขดัดหน้าออืู่ถ้าถามเขาคือ เห็นเห็นตัวพูดถึงขึ้นมาเนี่ยมันมันมันก็ไปสิ่งถูกรู้เหมือนกันแต่ทีนี้เวลาเวลาเลือกคิดตัวท่านอาจารไวแล้วมันหม่อนมันดูไม่เป็นเออดูไม่เป็นใช่ไหมเออใช่ค่ะแต่เวลาที่อามันมันมันมันชัดมันเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะอ่ะทีนี้นะาลองประโยคเมื่อกี้บอกว่าเห็นมันพูดอ่ะนะเห็นมันคิดเห็นมันพูดเนี่ยพอเห็นมันคิดเห็นมันพูดเนี่ยเพราะว่าโยมต้องเห็นมันคิดมันพูดก่อนใช่ไหมล่ะ แล้วก็พอถัดมาเนี่ยโยมก็มาเล่าให้อาตามาฟังว่าเห็นมันพูดเห็นมันคิดเนี่ยตอนเนี้ยมันก็เป็นตัวโยมไปแล้วเพราะตัวโยมเป็นคนเล่าให้อาตามาฟังเคยเห็นไขณะมันมันเร็วขนาดไหนล่ะไอตอนที่โยมเห็นจริงอะโยมยังไม่ได้พูดเลยอะ่ะแล้วโยมมาพูดเอาทีหลังพอมาพูดเอาทีหลังปับ๊บถ้าไม่เห็นคนพูดในขณะหลังเนี่ยมันก็กลายเป็นเราไปเลยเออ มันเร็วมันพระสุกอย่างมันผ่านมันมันแต่ละขนาดเนี่ยมันเร็วมากเลยนะอืมกว่าโยมโยมรู้ก็เรียกวิวญญาณรู้รู้อะไรเสร็จแล้ววิญญาณกว่าจะออกมาพูดเป็นภาษาได้อะนะเหตุการณ์เนี่ยมันผ่านไปแล้วอพอผ่านไปแล้วเสร็จแล้วไอ้ตัวที่พูดเนี่ยก็คือเป็นสังขารตัวใหม่ที่กําลังพูดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเห็นตัวใหม่เป็นขนาดเป็นขนาอแต่ทีนี้อแต่ทีนี้เวลาฟังอย่างนี้ยเวลาโยมปฏิบัติเนี่ย บางท right ีความขยันของโยมเกินไปอ่ะโยมก็ม yeah, ันซ้อนตัวเราก็เป็นทุกข์ขนาดจิตเหมือนกันน่ะเป็นผู้ตามดูตามรู้อยู่ก็เลยเห็นตัวเองสักทีอ๋อผู้ตามดูตามรู้นี่ก็เป็นสังขารเหมือนกันเนาะเออเป็นสังขารที่มีตัวเราเป็นผู้ตามดูตามรู้ก็คือสังขารแต่ว่ามันก็กลายเป็นมันเข้าไปเป็นเลยไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะแก้ตรงนี้ยังไงดีนะเดี๋ยวครับหนึ่งบางทีมันก็เคยมีปัญหากับตัวเองไงแต่พอมันเกิดปัญญามันก็ มันก็เออใช้วิธีนี้แบบช่างหัวมันอ่ะช่างหัวมันคืออย่าไปอย่าไปสนใจอย่าไปรู้อะไรมากกันนะ oh. เออคืออย่าอย่าไปอย่าไปเป็นผู้ตามเห็นเพราะตรงนั้นมันเป็นตัวเราหมดเลยอย่ามันมองออกนี่ว่าถ้าวิสังขารจริงอ่ะมันจะต้องไม่มีเจตนาใช่ไหม oh, แต่ทีนี้ no. พอเรามีเจตนาอยากรู้อยากเห็นมากนี่แสดงว่ามันมันวาวุ่นแล้วมันพงสานแล้วอ่ะนะ oh. ก็ช่างหั ว, วมันมันเหมือนกับว่าทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อนช่างหัวมันไม่ไปดูไม่ไปรู้มันแล้วนี่ยทิ้งมันเนี่ย แล้วอยู่ๆเดี๋ยวก็ความคิดก็ผุดขึ้นมาเดี๋ยวยองก็เห็นเองหมดแหละ oh. เราเคยมีนะบางทีเคยเคยเล่นกับมันว่าสมมติว่าพอมันมั่วมากะนะ oh. มันก็พูดกตกลงยัวงว่าเมื่อปฏิบัติอะไรแล้วอยู่แบบขาสติอย่างนี้แหละมันก็พูดไปอ่ะนะ oh. อยู่แบบไม่ต้องทําอะไรหรอกอแบบขาสติก็ได้อย่างเงี้ยก็อยู่แล้วก็พออีกหน่อยหนึ่งความความคิดมันผุดขึ้นมาเองไงเช่นมันผุดขึ้นมาเองว่า เลยทำไม่ได้หรอกอย่างนั้นอ่ะมันผิดหลักคําสอนแล้วก็เลยเห็นความคิดง่ายๆเลยคร่ะเนี้ยเหมือนกับว่าพอเราสวนทางกับมันอ่ะพอมันจะทําอย่างแล้วก็เราไม่ทําแล้วก็ต่อมาความคิดมันมันมาให้เห็นไงก็เห็นอ๋อคือเหมือนกับว่ามันแปลกอ่ะเหมือนกับเราเคยส่วนว่าโยมเคยฝึกสติมามาก ๆ, ๆใช่ไหมแล้วก็โยมดำหลีขึ้นมาในใจเล่นๆว่าไม่ต้องเรียนแล้วทาบ่าไม่ต้องฝึกหรอกเป็นคนบ้าๆบอๆก็ได้ไงแล้วก็โยมวางหมดไม่ทําอะไรเพรีบงเดียวแค่นั้นแหละความคิด ที่มันมันก็มันผุดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นง่ายๆเลยคัะเนี้ยอ๋อเ <c oughs> <c oughs> ัยเงเล่นอีกแง่มุมนึงความคิดมันมาแล้วก็บางที